มาสังฆากาจารย์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าอันพราหมณ์เหล่านั้นทูลสอบถามปัญหาแล้วทรงพยากรแก่พราหมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงพระพุทธมุนีทรงทําให้พราหมณ์ทั้งหลายพอใจด้วยการทรงพยากรปัญหาทั้งหลายคําว่าเหล่านั้นในคําว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรแก่พรามเหล่านั้นได้แก่พราหมณ์ผู้ดําเนินไปสู่ฝั่งสิบหกคน คำว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจกาบัญญัติคำว่าทรงพยากรณ์แล้วอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คือบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศแก่พรามเหล่านั้นรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์กรแก่พรามเหล่านั้น คำว่าท <muitas> <arias> ูลสอบถามปัญหาแล้วในคำว่าทูลสอบถามปัญหาแล้วตามความเป็นจริงอธิบายว่าทูลสอบถามคือทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศปัญหาแล้วคาว่าตามความเป็นจริงอธิบายว่าควรตรัสบอกอย่างไรก็ตรัสบอกอย่างนั้นควรแสดงอย่างไรก็ทรงแสดงอย่างนั้น ควรบัญญัติอย่างไรก็รทรงบัญญัติอย่างนั้นควรกําหนดอย่างไรก็ทรงกําหนดอย่างนั้นควรเปิดเผยอย่างไรก็ทรงเปิดเผยอย่างนั้นควรจำแนกอย่างไรก็ทรงจำแนกอย่างนั้นควรทำให้ง่ายอย่างไรก็ทรงทำให้ง่ายอย่างนั้นควรประกาศอย่างไรก็ทรงประกาศอย่างนั้นรวมความว่าทูลสอบถามปัญหาแล้วตามความเป็นจริง คำว่าด้วยการทรงพยากรปัญหาทั้งหลายอธิบายว่าด้วยการทรงพยากรคือด้วยการบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายประกาศปัญหาทั้งหลายรวมความว่าด้วยการพยากรปัญหาทั้งหลายคําว่าทรงทําให้พอใจในคําว่าพระพุทธมุนีทรงทําให้พรามณพอใจได้แก่ ทรงทาให้พอใจเือทําให้ดีใจให้เลื่อมใสให้ยินดีให้ปลื้มใจคาว่าพรามได้แก่เราพรามผู้ดำเนินไปสู่ฝั่งสิบหกคนคําว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดพระองค์ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจขายได้แล้วชื่อว่ามุนี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 ธรรมสังคกาจารย์กล่าวว่าพรามเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทําให้พอใจแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์นในสํานักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐคําว่าเหล่านั้นในคําว่าพราหม์เหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทําให้พอใจแล้วได้แก่พราหมณ์ผู้ดําเนินไปสู่ฝั่งสิบกคน คำว่าทําให้พอใจแล้วได้แก่ทําให้พอใจคือให้ดีใจให้เลื่อมใสให้ยินดีให้ปลื้มใจแล้วรวมความว่าพรามเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทําให้พอใจแล้วว่าด้วยพระจักสุห้าชนิดคําว่าผู้มีพระจักสุอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยจักสุห้าชนิด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 พระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยจำมันตะจักขุเป็นอย่างนี้รวมความว่าพรามเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทําให้พอใจแล้วคําว่าพระพุทธเจ้าในคําว่าอันพระพุทธเจ้าทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคคําว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจค้าบัญญัติ คำว่าทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์อธิบายว่าพระสุริยะตรัสเรียกว่าพระอาทิตย์พระสุริยะชื่อว่าเป็นพระโคดมโดยพระโคดแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นพระโคดมโดยพระโคดพระผู้มีพระภาคทรงปรากฏโดยโคดพระอาทิตย์คือทรงเป็นเผ่าพันธุ์โดยโคดพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์รวมความว่า อันพระพุทธเจ้าทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์คำว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์อธิบายว่าการงดงดเว้นเว้นขาดเจตนางดเว้นการงดเว้นกิริยาที่ไม่ทำการไม่ทำการไม่ละเมิดการไม่ก้าวล่วงแดนแห่งการเข้าถึงอสัตธรรมการทําลายกิเล ด, ด้วยอริยมรรยเรียกว่าพรหมจรรย์อันหนึ่งอริยมรรยมีองค์แปด คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรียกว่าพรหมจรรย์โดยสิ้นเชิงคำว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้แก่ประพฤติคือได้ประพฤติสมาทานประพฤติพรหมจรรย์รวมความว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ คำว่าในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐได้แก่พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐคือมีพระปัญญาอันเล Lincoln, ิศมีพระปัญญาประเสริฐสุดมีพระปัญญาวิเศษสุดมีพระปัญญาชั้นแนวหน้ามีพระปัญญาสูงสุดมีพระปัญญายอดเยี่ยมคำว่าในสำนักได้แก่ในสำนักคือในที่ใกล้ใกล้เคียงไม่ไกลใกล้ชิด รวมความว่าในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังฆากราจารย์จึงกล่าวว่าพรามณ์เหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทําให้พอใจแล้วได้ประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประ เ, เระรรสาาาาววรเิฐ ธรรมสังฆากาจางกล่าวว่าการพยากรณ์ปัญหาแต่ละปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นผู้นั้นพึงจากที่มิใค่ฟังถึงฟังได้คำว่าปัญหาแต่ละปัญหาอธิบายว่าปัญหาของท่านอชิตะแต่ละปัญหาปัญหาของท่านติสสะเมตยะแต่ละปัญหาปัญหาของท่านปิงเคียแต่ละปัญหา รวมความว่าปัญหาแต่ละปัญหาคําว่าพระพุทธเจ้าในคําว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดได้แก่พระผู้มีพระภาคคาว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นศัจกาบัญญัติคําว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดอธิบายว่าที่พระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วคือทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วกาหนดแล้ว เปิดเผยแล้วจำแนกแล้วทำให้ง่ายแล้วประกาศแล้วโดยประการใดรวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดคําว่าผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นอธิบายว่าพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆาศึกการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม รวมความว่าผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นคำว่าพึงจากที่มิใช่ฝังถึงฝังได้อธิบายว่าอมตะนิพานคือธรรมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดักกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าฝังกิเลสขันและอภิสังขารเรียกว่าที่มิใช่ฝัง คำว่าพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้อธิบายว่าพึงถึงฝังคือบรรลุฝังถูกต้องฝังทําให้แจ้งฝังจากที่ไม่ใช่ฝังได้รวมความว่าพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้ด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังฆาปก า, ารจึงกล่าวว่าการพยากรณ์ปัญหาแต่ละปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้น ผู้นั้นพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้พระธรรมสังหาการาจา์กล่าวว่าบุคคลเมื่อเจริญมักอันสูงสุดจะพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้เพราะมักนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝัง เพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปารายณนะควาว่าจะพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้อธิบายว่ากิเลสขันธ์และอภิสังขารเรียกว่าที่ไม่ใช่ฝังอมะตะนิพพานคือทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลาดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกําหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าฝัง คำว่าจะพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้อธิบายว่าพึงถึงฝังคือบรรลุฝังถูกต้องฝังทำให้แจ้งฝังจากที่ไม่ใช่ฝังได้รวมความว่าจะพึงจากที่ไม่ใช่ฝังถึงฝังได้คำว่ามัคในคำว่าเมื่อเจริญมัคอันสูงสุดได้แก่อริยมัคมืองแปดคือสัมมาทิฏฐิและถึงสัมมาสมาธิ เรียกว่ามักคำว่าอันสูงสุดได้แก่เลิศเพอประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่ามักอันสูงสุดคำว่าเมื่อเจริญได้แก่เมื่อเจริญเพอเมื่อเสพคุณทำให้มากรวมความว่าเมื่อเจริญมักอันสูงสุดคำว่าเพราะมักนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝัง่งได้แก่ มักปันถะปัถปัจชะอัญชะวะวัตุมายณนะนาวาอุตรเสตุบุญละพิสิและสังกัมมะคำว่าเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งได้แก่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งคือเพื่อบรุถึงฝั่งเพื่อตามบรรุให้ถึงฝั่งเพื่อข้ามชราและมรณะรวมความว่า เพราะมรคนั้นเป็นไปเพื reasons, ่อให้ถึงฝั่งคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นมรคนั้นจึงชื่อว่าปารายณะอธิบายว่าเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นได้แก่อมตานิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลละทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายาหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิท เรียกว่าฟังมักเรียกว่าอายนะคําว่าว่าเป็นบทสนทิคําว่าว่านี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันรวมความว่าเพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปารายนะด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวว่าบุคคลไม่เจริญมักอันสูงสุดจะพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้ เพราะมักนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปารายณนะปารายณะทุติคาถานิเทศที่สิบเจ็ดจบเจ็ดปารายนานุคีติคาถานิเทศ ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งพระปิญญะเทระกล่าวแก่พราหมภาวรีทรรมกลางชุมชนดังนี้อาตามาภาพจะกล่าวบทขับที่เป็นเหตุให้ถึงฝั่งตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ปราศจากมนทินมีพระปัญญาดุจภูริปราศจากกามทรงไร้กิเลสดังป่าผู้เป็นนาคะ ทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นจะพึงกล่าวคําเทศเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าคาว่าอาตมาภาพจะกล่าวบทขับที่เป็นเหตุให้ถึงฟังอธิบายว่าอาตมาภาพจะกล่าวบทขับจะกล่าวบทขับที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วจะกล่าวบทขับที่พระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วจะกล่าวบทขับที่พระพุทธเจ้าทรงพาสิทธไว้แล้วรวมความว่า อาตมาภาคจะกล่าวบทขับที่เป็นเหตุให้ถึงฝั่งคำว่าดังนี้ในคําว่าท่านปิงคียะกล่าวดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าดังนี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่าท่านะะ Dir, เป็นคํากล่าวด้วยความรักเป็นคํากล่าวโดยความเคารพคําว่าท่านนี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคําว่าปิงคียะเป็นชื่อ เป็นการนับการขนานนามบัญญัติชื่อที่เรียกกันนามการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะของพระเถระนั้นรวมความว่าท่านปิงคียะกล่าวดังนี้คำว่าทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นอธิบายว่าทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนก ทำให้ง่ายประกาศอย่างนั้นทรงเห็นอย่างใดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงก็ตรัสเคเบบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศอย่างนั้นทรงเห็นอย่างใดว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทําทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ตรัส คือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศอย่างนั้นรวมความว่าทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นคำว่าปราศจากมนทินในคำว่าทรงปราศจากมนทินมีพระปัญญาหรือภูริอธิบายว่าราคะชื่อว่ามนทินโทสะชื่อว่ามนทินโมหะชื่อว่ามนทิน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 คือไร้มวลทินบำราศมวลทินและมวลทินได้แล้วหลุดพ้นมวลทินก้าวล่วงมวลทินทั้งปวงแล้วแผ่นดินตรัสเรียกว่าภูริพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยปัญญาอันไพบูร์กว้างขวางแผ่ไปเสมอด้วยแผ่นดินนี้ปัญญาตรัสเรียกว่าเมธาปัญญาเครื่องทำลายกิเลสได้แก่ความรู้ทั่วคิริยาที่รู้ชัด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 คำว่าทรงปราศจากกรามทรงไร้กิเลส ด, ดังป่าผู้เป็นนาคะอธิบายว่าคำว่ากรามได้แก่กรามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองกิเลสกรามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรามพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงกําหนดรู้วัตถุกรามทรงละกิเลสกรามได้แล้ว เพราะเป็นผู้กำหนดรู้วัตถุกรรมเพราะทรงละกิเลสกรรมได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงใครในการมคือไม่ทรงต้องการไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังในการมชนเหล่าใดใคร่กามต้องการปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังการมชนเหล่านั้นชื่อว่ายังใคร่กามกำหนัดในราคะมีความสำคัญในสัญญา พระผู้มีพระภาคไม่ทรงใคร่ในกลามไม่ทรงต้องการไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังในกลามฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีกลามคือปราศจากกลามเป็นผู้สละกลามแล้วคลายกลามแล้วปล่อยกลามแล้วและกลามแล้วสลัดทิ้งกลามแล้วคลายราคะแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้ว ปล่อยราคะแล้วและราคะแล้วสลัดทิ้งราคาแล้วเป็นผู้หมดความอยากดับแล้วเย็นแล้วมีตอนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่าทรงปราศจากกามคาว่าทรงไร้กิเลสแดงป่าอธิบายว่าราคะชื่อว่ากิเลสัดงป่าโทสะชื่อว่ากิเลสแดงป่าโมหะชื่อว่ากิเลสแดงป่า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 ไม่มีกิเลสดังป่าปราจจากิเลสดังป่าไร้กิเลสดังป่าคือบำราศกิเลสแงป่าทรงละกิเลสแงป่าได้แล้วหลุดพ้นกิเลสดังป่าได้แล้วก้าวล่วงกิเลสแดงป่าทั้งปวงแล้วรวมความว่าทรงไร้กิเลสดังป่าคำว่าผู้เป็นนาคะอธิบายว่าผู้เป็นนาคะคือพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะ เพราะไม่ทรงทําความชั่วพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะเพราะไม่ทรงถึงพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่านาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาเป็นอย่างนี้รวมความว่าทรงปราศจากกามทรงไร้กิเลสดังป่าผู้เป็นนาคะคําว่าเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าในคําว่า จะพึงกล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าอธิบายว่าเพราะเหตุแห่งอะไรคือเพราะเหตุอะไรเพราะการอะไรเพราะต้นเหตุอะไรเพราะปัจจัยอะไรรวมความว่าเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าคำว่าจะพึงกล่าวเท็จได้แก่จะพึงกล่าวคือพูดแสดงชี้แจงคำเท็จว่าด้วยมุสาวาต คำว่าจะพึงกล่าวคำเท็จอธิบายว่าบุคคลพูดคำเท็จคือพูดมุสาวาสพูดเรื่องไม่ดีคนบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารอยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่ารู้รู้ก็พูดว่าไม่รู้ ไม่เห็นก็พูดว่าเห็นหรือเห็นก็พูดว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบ้างด้ื่อประการชนนี้นี้ตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จอีกในหนึ่งมุสาวาตมีได้ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งก่อนพูดเธอก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จ 2. องกำลังพูดก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จสามพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้ว ม, มูสาวาตมีได้ด้วยอาการสามอย่างเหล่านี้อีกในหนึ่งมูสาวาตมีได้ด้วยอาการสี่อย่างคือหนึ่งก่อนพูดเท็จก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จอีกในหนึ่งมูสาวาตมีได้ด้วยอาการห้าอย่างด้วยอาการหกอย่างด้วยอาการเจ็ดอย่าง มุสาวาตมีได้ด้วยอาการแปดอย่างคือหนึ่งก่อนพูดถือก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จสองกำลังพูดก็รู้ว่าเรากําลังพูดเท็จสามพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วสปิดบังทิฐิหปิดบังความพอใจหปิดบังความชอบใจเจปิดบังความสําคัญแปปิดบังความจริง มุสาวาดมีได้ด้วยอาการแปดอย่างเหล่านี้เพราะเหตุอะไรคนจึงกล่าวคำมุสาคือพูดแสดงชี้แจงคำมุสารวมความว่าจะพึ่งกล่าวคำเทจเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าด้วยเหตุนั้นพระปิงคิยะเถระจึงกล่าวว่าพระปิงกิยะเถระกล่าวแก่พราหมภาวรีท่ามกลางชุมชนดังนี้อาตมาภาพจะกล่าวบทขับที่เป็นเหตุให้ถึงฟัง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 วินยะเทระกล่าวว่าอาตมาภาพจะกล่าวถ้อยคําที่ประกอบด้วยการสรนเสริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละมนฑินและโมหะได้แล้วผู้ทรงละความถือตัวและความลบหลู่ได้ณบัดนี้คำว่าผู้ทรงละมนฑินและโมหะได้แล้วอธิบายว่าคำว่ามนทินอธิบายว่าราคะชื่อว่ามนฑินโทสะชื่อว่ามนทิน โมหะชื่อว่ามนทินมานะชื่อว่ามนทินทิฏฐิชื่อว่ามนทินกิเลนะชื่อว่ามนทิ น, ท, ท, น, ท, น, น, ท, นทุจริตทุกอย่างและกรรมที่นำไปสู่พบทั้งปวงชื่อว่ามนทินคำว่าโมหะอธิบายว่าความไม่รู้ในทุกอวิชชาเป็นดุดริ่มสลักอากุศลลมูลเพลโมหะนี้ท่านเรียกว่าโมหะมนทินและโมหะ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 อธิบายว่าว่าโดยความถือตัวมีในต่างๆคำว่าความถือตัวอธิบายว่าความถือตัวในเดียวคือความที่ขิตไฟสูงความถือตัวสองในคือหนึ่งการยกตนสองการข่มผู้อื่นความถือตัวสามในคือหนึ่งความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาสองความถือตัวว่าเราเสมอเขา ความถือตัวว่าเราร่อวยกว่าเขาความถือตัวสี่ในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะลาบสองเกิดความถือตัวเพราะยศสามเกิดความถือตัวเพราะความสรรเสริญสเกิดความถือตัวเพราะความสุขความถือตัวห้าในคือหนึ่งเกิดความถือตัวว่าเราได้รูปที่ถูกใจสองความถือตัวว่าเราได้เสียงที่ถูกใจ 3. ความถือตัวว่าเราได้กลิ่นที่ถูกใจ 4. ความถือตัวว่าเราได้รสที่ถูกใจ 5. ความถือตัวว่าเราได้โพทิภะที่ถูกใจความถือตัวหกในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะมีตาสมบูรณ์ 2. เกิดความถือตัวเพราะมีหูสมบูรณ์สามเกิดความถือตัวเพราะมีจมูกสมบูรณ์ เกิดความถือตัวเพราะมีลิ้นสมบูรณ์ห้าเกิดความถือตัวเพราะมีกายสมบูรณ์หกเกิดความถือตัวเพราะมีใจสมบูรณ์ความถือตัวเจ็ดในคือหนึ่งความถือตัวสองความดูหมิ่นสามความดูหมิ่นด้วยอำนาจความถือตัว 4. ีความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 5. ความถือตัวว่าต่ำกว่าเขา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 เกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะถูกมินทาเจเกิดความถือตัวเพราะความสุขแปเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะความทุกข์ความถือตัวก้าในคือหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขาสองเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาสเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา สเป็นผู้เสมอเขาเถือตัวว่าเลิศกว่าเขาห้าเป็นผู้เสมอเขาเถือตัวว่าเสมอเขาหกเป็นผู้เสมอเขาเถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเจ็ดเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเถือตัวว่าเลิศกว่าเขาแปดเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเถือตัวว่าเสมอเขาเก้าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเถือตัวว่าด้อยกว่าเขาความเถือตัวสิบใน เพื่อคนบางคนในโลกนี้หนึ่งเกิดความถือตัวเพราะชาติสองเกิดความถือตัวเพราะโคตรสเกิดความถือตัวเพราะเป็นบุตรของผู้มีตระกูลสี่เกิดความถือตัวเพราะเป็นผู้มีรูปงามหเกิดความถือตัวเพราะมีทรัพย์หเกิดความถือตัวเพราะการศึกษาเจ็เกิดความถือตัวเพราะหน้าที่การงาน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 ความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความถือตัวคำว่าความลบหลู่ได้แก่ความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความแข็งกระด้างกรรมคือความแข็งกระด้างนี้เรียกว่าความลบหลู่ความถือตัวและความลบหลู่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้ว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 เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความฉละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าณบัตรนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าข้าพระองค์จะ ก, กล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยการสรรเสริญอธิบายว่าอธารามภาพจะ ก, กล่าวคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่าย ประกาศถ้อยคำคือวาจาคำที่เป็นแนวทางการเปล่งวาจาที่ประกอบประกอบพร้อมดาเนินไปดาเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมที่พร้อมด้วยการสรรเสริญรวมความว่าข้าพระองค์จะ ก, กล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยการสรนเสริญณบัดนี้ด้วยเหตุนั้นพระปิญญะเทระจึงกล่าวว่า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 พระผู้มีพระภาค พ, พุธทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดมีสมัญตะจักขุทรงถึงที่สุดโลกทรงล่วงพบได้ทั้งหมดไม่มีอาสวะทรงละทุกทั้งปวงได้แล้วทรงมีชื่อตามความจริงอัตมภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้วคําว่าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดในคําว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดมีสมัญตะจักขุอธิบายว่า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 เป็นไปในฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อนิพพานรวมความว่าทรงเป็นผู้กาจัดความมืดคำว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีประภาคคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจิกาบัญญัตคำว่ามีสมันตะจักขุอธิบายว่าพระสัพพัญยุตยานตรัาเรียกว่าสมันตะจักขุพระตถาคตชื่อว่ามีสมันตะจักขุ ด้วยจากสุนั้นรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดมีสมรตจากขูคำว่าทรงถึงที่สุดโลกทรงร่วงพบได้ทั้งหมดอธิบายว่าคำว่าโลกอธิบายว่าโลกหนึ่งคือภาวะโลกโลกสองคือภาวะโลกที่เป็นสมบัติและภาวะโลกที่เป็นวิบัติโลกสามคือเวทนาสาม โลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกธรรมแปดโลกเก้าคือสักกาวาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบเอ็ดคือกามภพสิบเอ็ดโลกสิบสองคืออายตนะสิบสอง โลกสิบปดคือธาตุสิบแปดคำว่าทรงถึงที่สุดโลกอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงถึงที่สุดทรงบรรลุที่สุดทรงถึงส่วนสุดทรงบรรลุส่วนสุดทรงถึงที่ดับทรงบรรลุที่ดับแห่งโลกพระองค์ทรงอยู่ในอริยวาสธรรมแล้วทรงประพฤติจรณธรรมแล้วพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีก รวมความว่าทรงถึงที่สุดโลกคำว่าทรงร่วงพบได้ทั้งหมดอธิบายว่าคำว่าพบได้แก่พบสองคือหนึ่งกรรมภพสองพบใหม่อันมีในปฏิสนธิกรรมภพเป็นอย่างไรคือปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอนญชาพิสังข า, น, น, า, งขา น, นี้ชื่อว่ากรรมภพ พใหม่อันมีในปฏิสนธิเป็นอย่างไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีในปฏิสนธินี้ชื่อว่าพบใหม่อันมีในปฏิสนธิพระผู้มีพระภาคทรงล่วงคือทรงก้าวล่วงทรงล่วงเลยกลมาภพและพบใหม่อันมีในปฏิสนธิแล้วรวมความว่าทรงถึงที่สุดโลกทรงล่วงพบได้ทั้งหมด คำว่าไม่มีอาสวะในคำว่าไม่มีอาสวะทรงละทุกทั้งปวงได้แล้วได้แก่อาสวะสี่คือหนึ่งกลามาสวะสองภาวะสวะสทิฏฐาสวะ 3, สวะ 4, อาอวิชชาสวะอาสวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีอาสวะคำว่าทรงละทุกทั้งปวงได้แล้วอธิบายว่าชาติทุกข์ชาราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทุกขทุกเพราะทิฏิวิบัตอันมีในปฏิสนธิทั้งปวง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 ท่านพราหมณ์าจารย์ทรงมีชื่อตามความจริงอาตมาภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้วอธิบายว่าทรงมีชื่อตามความจริงคือมีพระนามเช่นเดียวกันทรงมีชื่อที่มีความหมายอย่างเดียวกันมีพระนามเช่นเดียวกับความจริงอธิบายว enfin ่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสภู พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกณาคมาณะพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นมีพระนามเช่นเดียวกันคือทรงมีชื่อที่มีความหมายอย่างเดียวกันแม้พระผู้มีพระภาคสากยะมุนีก็มีพระนามเช่นเดียวกันคือทรงมีชื่อที่มีความหมายอย่างเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงมีชื่อตามความจริงคำว่าท่านพราหมนาจารย์ al, อาตมภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอาตมภาพเข้าไปใกล้ได้เข้าเฝ้ามาแล้วคือเข้าไปนั่งใกล้ได้ทูลถามได้ทูลถามปัญหาแล้วรวมความว่าท่านพราหมนาจารย์อาตมาภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้ว ด้วยเหตุนั้นพระปิณคียะเถระจึงกล่าวว่าท่านพราหมณาจารย์พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดมีสมันตะจักขุทรงถึงที่สุดโลกทรงล่วงพบได้ทั้งหมดไม่มีอาสวะทรงละทุกทั้งปวงได้แล้วทรงมีชื่อตามความจริงอาตมาภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้ว